าทำบาปกับคนให้อภัยกับคนไม่ให้อภัยอันไหนให้ผลร้ายแรงกว่ากันครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าการประทุษร้ายผู้ไม่มีเวรผู้ไม่เบียดเบียนใครเป็นบาปใหญ่ให้ผลรุนแรงกว่าการประทุษร้ายผู้ยังผูกเวรและเบียดเบียนใครๆครทีนี้ถามว่าคนที่เขาพร้อมจะให้อภัยนั้นเข้าข่ายพวกที่เบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียน แน่นอนต้องตอบว่าเข้าข่ายผู้ไม่เบียดเบียนฉะนั้นคำตอบแบบตรงตัวคือทำบาปกับคนให้อภัยย่อมมีน้ำหนักบาปมากกว่าและต้องได้รับผลแรงกว่าอย่างไรก็ตามความดีเป็นสิ่งซึมซับกันได้ถ้าหากคุณไม่มีจิตใจกระด้างหรือถูกห่อหุ้มด้วยเมฆหมอกโมหะหนาเกินไปพอเห็นใครให้อภัยไม่คิดจองเวร ก็ย่อมมีโอกาสสำนึกผิดได้ยิ่งเขาแสนดีเท่าไรใจคุณก็จะยิ่งสำนึกเร็วและแรงขึ้นเท่านั้นพูดในแง่กรรมวิบากกรรมสัมพันธ์การให้อภัยเป็นการตัดวงจรอุบาทแห่งเวรระหว่างกันเขาอาจมีบาปผิดที่ต้องชดใช้คุณเมื่อโดนคุณทำร้ายแล้วเขาไม่ถือสายอมชักพาให้ใจคุณสานึกต่างฝ่ายต่างอยากยุติศึก สิ่งที่ตามมาย่อมเป็นมิตรภาพพิจารณาในแง่นี้ก็คงต้องกล่าวว่าทำกับคนให้อภัยดีกว่าทำกับคนไม่ให้อภัยเพราะทำกับคนไม่ให้อภัยไม่มีทางพยากรณ์ได้เลยว่าจะต้องเปิดศึกจองเวรกันยืดเยื้อไปอีกกี่กับกี่กันผลักกันเป็นฝ่ายรา ว, วีบีทาอีกกี่พันกี่หมื่นหนครับดังตรีน จากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21บบอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรวรีโสภาดาวน์โหลดเสียงอ่านและอ่านหนังสือรวมถึงงานทั้งหมดของคุณดังตรินได้ฟรีที่เว็บไซต์ dangtrin.com d, com. d u n g t r i n.com เสียงอ่านผลงานของคุณดังตรินทั้งหมดสามารถนําไปเผยแพร่เป็นธรรมทานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและเพื่อความสบายใจของท่านที่ศรัทธางานของคุณดังตรินและคิดจะร่วมกันเผยแพร่ทำโดยให้ธรรมะเป็นทานผมขออนุญาตนําข้อความจากจดหมายข่าวดังตรินซึ่งคุณดังตรินได้เขียนบอกไว้นานมาแล้วมาอ่านให้ฟังนะครับข้อความจากจดหมายข่าวทุกวันนี้ยังมีอีกหลายท่านไม่ทราบจะติดต่อผมอย่างไร เพื่อขออนุญาตนำเนื้อหาในหนังสือไปอ่านบางก็ต้องการทำซีดีเสียงเกรงจะซ้ำกับที่คนอื่นเคยอ่านไว้บางก็ต้องการนำไปออกรายการวิทยุของตนเกรงจะละเมิดลิขสิทธิ์บางคนบอกว่ารู้สึกผิดที่เอาไปเผยแพร่มาระยะหนึ่งโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเจ้าของก็ขอให้ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผมณที่นี้ว่าทาไปได้เต็มที่นะครับ หากไม่เป็นไปเพื่อการค้าวางขายตามแผงเห็นว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์ก็โปรดนำไปดำเนินการตามที่เห็นควรได้เลยเป็นย เป้นนายห่ปัญญาจึงกลัดกลาทุ่มเทเสัยจากนั้นและจึงเส